บุญก็มีด้วยกันหลายประการบุญเกิดจากการให้ทานสมท า, านศีลมันเกิดจากการสวดมนต์มันเกจากการภาวนาบุนเกิดจากการเจริญเมตตาแผ่สงกุศลทั้งหลายนั่นก็เป็นบุญแลวบุญกิริยาวัตถุสิประการและที่ยิ่งไปนั่นก็คือบุญในการภาวนาเนี่ยการภาวนาทําจิตให้สงบ มีบุญมากอย่างไรการให้ทานนั้นก็เพื่อรับความโลภความโกรธความหลงนะเป้าหมายของการกระทำของเราที่เป็นบุญนี้ละโลภละโกรธละห ล, ล, ลงนะละโกรธหลงนี้ทำใจของเรามันให้เมื่อมีดปิดบังไป มีเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ถ้าเรารู้จักการแบ่งปันมาทำบุญนั่นแหละนะว่าเราก็เชื่อว่าเรื่องของบาปมีจริงบุญมีจริงนะมาทำบุญแล้วบุญก็จะมาอยู่ในใจของเราเนี่ยแหละนะมนอยู่ที่ไหนมาอยู่ในใจนี้ใจของเรามีผิติใจของเรามีความสุขเรประจัยเป็นบุญ ใจของเรามีโลภโกรธหลงมากมา ก, มากใจเป็นบาปป้าป่าบาปก็แปลว่าความมืดนึกความร้อนบุญนี้ก็แปลว่าความเย็นก็ได้ความเบาก็ได้ดังนั้นเมื่อพวกเรามันสร้างบุญไว้นในใจในใจตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าตายแล้วสูญไปเลย ร่างกายนี้ตายไปแล้วมันก็เหลือเป็นเท่าเป็นฐานหมดไปนะเราเอาศัชั่วคราวเท่านั้นแหะเหมือนบ้านหลังหนึ่งเราเอาศัชั่วคราวแต่ว่าตัวใจเนี่ยตัวจิตเนี่ยมันไม่ได้สูญไปนะมันจะต้องไปเกิดอีกทํากรรมทําเหตุตามปัจจัยเมื่อจะต้องไปเกิดอีกเนี่ยเราก็ควรจะสร้างสมบุญบุญไว้ก่อนนะ บุญที่เราได้สะสมื่ดีแล้วก็ย่อมจะนำความสุขมาให้ทั้งชาตินี้ก็ดีชาติหน้าก็ดียิ่งบุญที่สูงเ น, น, นี่ยกับบุญของการภาวนาเนี่ยนะว่าคนในโลกเมื่อเราเกิดขึ้นมาในโลกเราก็ต้องข้องเกี่ยวกับคนในโลกนี่แหละเนื้ออารมณ์ในโลกมีลากเสื่อมลาบมียศเสริมยศส่วนสูงนินทาทุก เนะราก็คงจะได้เห็นกันอยู่นะคนในโลกนี้ถ้าเกิดว่าจิตไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่รู้เท่าทันแล้วนะก็ไม่เข้าใจถ้าคิดว่าเมื่อมีสิ่งใดแล้วจะอยู่ตลอดไปไม่ใช่พระพุทธเจ้าตัดไปแล้วเรื่องของกฎอนิจจงนะมีแล้วกว็าหาไม่เกิดขึ้นแล้วกว็ดับไป สังขารร่างกายเนี่ยมันยังเสื่อมไปเสื่อมไปทุกวันเพาันอะไรสิ่งในโลกที่เกิดขึ้นมาที่หลังเมื่อมีร่างกายเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้นะมันเกิดดับเกิดดับไปลนะเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องมาพิจารณาพยายามว่าแสวงหาในทางโลกก็พอสมควรเราต้องแสวงหาใจของเราควบคู่ไปด้วยนะ ถ้าใจตรงนี้ไม่ได้รับการพัฒนานี่เราเกิดมาก็นะเสียไปหนึ่งชาติไม่มีอะไรเนาะเกิดมาแล้วก็ตายแต่ว่าถูกกิเลสอภิชาตนะอุปทานอบรมจิตอีกก็ยิ่งกิจจะมืดไปอีกถ้าเรามีความฉลาดเราก็ใช้ปัญญาอบรมจิตของเรานะให้มีความรู้ขึ้น ในพิจารณาเห็นโทษเห้ภัยในวัตตาสงสารมันเร่งสร้างคุณงามความดีเอาไว้ในส่วนหนึ่งของชีวิตเช่นว่าเรานี้ทําบุญกันเป็นประจำแล้วรักษาศีลเป็นประจำแล้วน่ะเราก็เพิ่มการภาวนาขึ้นมาอีกสักหน่อยเพื่อให้เราอยู่ในโลกนี้ได้นะในความผาสุก ไม่ถึงกะทิ้งโลกไปเลยเหรอเราก็มีภาระมีหน้าที่แต่เราก็รู้จักที่จะดำเนินชีวิตยอยู่ในโลกเช่นทันนาถามินกษ์เศรษฐีนางวิสาขาหมหาวิสิกาก็เป็นคารวะถือศิลหะแต่เป็นพระโสดาบันได้นะรู้ความจริงได้มารูบนมเป็นบจ้างทุกขังรัตตาแต่มีภาระมีหน้าที่มากมายที่ต้องทำ ทั้งงานบ้านงานบุญงานวัดก็ตามก็ทาให้สมบูรณ์บริบูรณ์ทีเดียวนะพวกเราก็เหมือนกับเป็นลูกหลานของท่านนั่นแหละพยายามมันสร้างมันฝึกกิจของเราให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมานะัทานะบาลลัศีลบรัรลมีปัญญาบรลมีพยายามเพิ่มพูนนะมอง โลกนี้ให้เป็นความว่างถ้าแจมันมีความวุ่นวายมีเรามีเขานะมากมายก็มองโลกนี้เป็นความว่างนะโลกนี้ยมัจจุราชจะได้ตามไม่ทันนะพุทธเจ้าตัดกรพระพมโมคราชว่าเธอจงมองโลกนี้ให้เป็นความว่างนะมัจจุราชจะตามไม่ทันเหมือนนั่นนะมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความว่างไม่มีตัวตนที่แท้จริงหรอก นะรูปนามนี้อาศัยโชคขาวเท่านั้นเองเออนที่สุดมันก็ต้องแตกสลายไปไมันเกิดดับเกิดดับรูปนี้ก็เกิดดับอานะหารที่สำคัญก็คือลมหายใจเนี่ยเราห้ใจกันเดี๋ยวนี้เนี่ยห้ใจออกหยุดลมหายใจเัวนี้ก็หมดความหมายละอยู่ได้ด้วยออกซิเจนเนี่ยนะทำให้กระบวนการร่างกายมันก็เคลื่อนตัวได้ ออกซิเจนออกซิเจนมันไม่เข้าไปนิดเดียวก็ตายแล้ว น, ะน่ะนั่นเราจะเอาอะไรไปได้บ้างเพรฉะนั้นเราต้องระลึกถึงความตายมาชีวิตไม่แน่นอนความตายมันของแน่นอนเราต้องตายเนย่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายเราต้องหมั่นด้วยความตายบ้างเราไม่ใจเข้าไม่ออกก็ตายออกไม่เข้าก็ตายแล้วนะแค่นี้เองถ้าเราเห็นความตายทุกตรงไม่ใจเข้าออก่ เราก็มีปัญญาและโอ้ชีวิตของคนเรามีแค่นี้นะไม่มากเราจะไปวุ่นวายอะไรเราจะไปโกรธไปเกลียดอะไรนะแอบไหซึ่งกันและกันมีเมตตาทำกันนะอย่างนี้โลกก็อยู่ได้ในความเมตตาถ้าขาดเมตตากันแล้วก็โลกนี้ก็อยู่ไม่ได้นะ้วเราโกวประธรรมพิกาเมตตาเมตตาทำเป็นทำคําจุลโลกเอาไว้นะ ลม น, นี้ขาดเมตตาก็อยู่ไม่ได้ข้อแรกของปรนาติปาตาธรรมนุษย์ข้ากันเองอยู่ก็ไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ตายกันหมดและนี่พุทธศาสนาจะสอนให้เรามีความสันติสงบจากกายวาจา ก, ก็คือมีสิห้าขึ้นมานั่นก็ทำใจให้สงบขึ้นไปโดยมีการเจริญสมาธิความตั้งใจมั่นโดยกาหนดรูปลมหายใจเข้าออกนี้เป็นอารมณ์เนี่ย น, นเมื่อเรากําหนดอยไปบังคับลมให้รู้ลมตามที่ลมเขาเป็นอยู่ลมเข้าก็รู้จักล ม, มออกก็รู้จักลมสั้นลมยาวรู้จักหมดน่ะเพียงแต่ว่ามีหน้าที่รู้เท่านั้นนะเมื่อรารู้แล้วสติเราจดจ่ออยู่กับลมนี้สงบขึ้นมาปัญญาก็จะเกิดว่าโอ้ชีวิตร่างกายนี้ก็อยู่เป็นลมเนาะลมไม่นใจเข้า ไม่ออกก็ตายแล้วนี่นักปัญญาจะเกิดนักปัญญาเกิดเราก็จะปล่อยวางได้ปวางรูปนามได้หรือป่อยวางอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดความห่วงความกังวลทั้งหลายได้นะแต่ว่าทางภายนอกเราก็ทําหน้าที่ของเร า, าตามสมมติแต่าทางจิตเราก็ปล่อยวางไปดนตัวด้วยนัพยายามฝึกอย่างนั้นหรือวันหนึ่ง คืนหนึ่งเราก็ต้องมีโอกาสมันเจริญสมาธิภาวนานะให้จิตของเรามันสงบขึ้นมาบ้างปัญหาทั้งหลายที่มันวุ่นวายมาทั้งวันจะได้วางลงไปคลี่คลายลงไปได้ด้วยความรู้ความเข้าใจความตามความเป็นจริงในวันหนึ่งวันหนึ่งเราต้องพิจารณาแล้วชีวิตไม่แน่นอนนะ ความตายเปนของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุขขคดความี้ยนนี้ก็คือความตายนะนิจนาไปอย่างนี้จิตสงบนิ่งขึ้นมามันจะรู้อีกครั้งนึงว่าไม่มีใครตายเออไม่มีใครตายเป็นสมมติเออเป็นพระเป็นโยมเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นสมมติเป็นทหารตํำรวจเป็นสมมติแท้นจริงไม่มีจิตมันนิ่งนิ่งแล้วก็เห็นนั่งกายที่ตายไม่เคลื่อนไหวอะไรเขาก็มาเดือบบอกว่าเขาตายด้วย คืธาตุเขาก็ธรรมชาติเขาอย่างนั้นนะเมื่อเขาขาดลมนะเลือนลมไปวิ่งไปเขาก็แข็งตัวธาตุไฟก็หายไปในความร้อนในร่างกายก็หายไปแล้วธาตุน้ํามันก็เสื่อมธาตุดินก็เสื่อมไปอย่างนี้เองไงเนี่ยเราก็สมมุติเรียกว่าตายตอนนั้นะงทามันมีธาตุที่มันจเจริญขึ้นมาเรียกว่าเกิดทามันเสื่อมก็เรียกว่าแก่ทำกำลังจะพังก็เรียกว่าเจ็บนะ ถ้าเราเห็นมีมุดแล้วก็ไม่มีอะไรจิตมันก็มีมุดหลุดพ้นไปได้นะเราก็จะรู้ขึ้นมาได้จากจิตที่สงบเพราะจิตที่สงบนี้จึงเป็นบุญเป็นยอดของบุญแล้วอันนี้เกิดปัญญาญาขึ้นมานะต้องฝึกต้องหัดเราก็ต้องปฏิบัติของเราอยู่เสมออย่างนี้มีโอกาสดีแล้วนะอีกไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้เกิดมาพบกับพุทธศาสนาอีก เราชาตินี้เกิดมาพบแล้วเราต้องไม่ประมาทแล้วต้องพยายามทําเขาแต่ทําพอดีพอดีกับฐานะของเรานะเราตัวสินห้างให้พอดีเพราะเรามีครอบมีโคอยู่นะคําว่าเราไม่ประมาทคือเราไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปล่นะนทําเพียรใยใจแทง จ, จิตใจไปวางของเรานะํามีหน้าที่เราก็ทําตามหน้าที่ของเราในกะิจการงานของเรานะอย่างนี้ก็ เราก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราก็ไม่ตายถ้าเราอยู่ในความประมาทก็คือตายแล้วน่ะหลงมัวเมาไปในโลกนี้หมดละนะมัวเมาไปในโลกทั้งหลายจิตก็มืดมิดปิดบังไม่สว่างหนักไปเรื่อยถ้าเจีงเราไม่มัวเมาก็จะเบาน่ะให้ตั้งใจให้เจริญในธรรมดวงตายให้ทำทวกกันทุกๆท่านเทิด